มันเ อ, อยู่เฉยๆเพราะชีวิตรเราเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้ยุ่งเหยิงสับสนอันที่เป็นการงานผมโกรธก็ต้องให้ยุ่งเหยิงมีภาระผมทุกข์ก็ให้ยุ่งเหยิงมีภาระผวมวิตกกังวลเศร้าหมองรวามลับความช่างมกนนีน้มันเป็นภาระ ต้องทำให้มันสำเร็จนอกจากนั้นก็อาชีพต้องทามาหากินแต่ไรเช่นนั้นก็อดจากลำบากหิวก็ต้องมีกินแต่หนาวก็ต้องมีผ้าห่มแต่ร้อนก็ต้องมีล่มเงาจ็บใครได้ป่วยก็ต้องมีโอกาสรักษาเมื่อตัวของเรา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 าาการทำงานคือการประพฤติธรรมพร้อมกันไไหลายสำไ ม, ม่ค่ายิ่งเหมือนคนฉลาดยิิงนัดเดียววิ่งเหยียนกหลายพกเกยอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆดอกพอสองถือวัดก็ทำงานทำการเพื่อให้มันเป็นวัดเพื่อจะได้สะดวกแก่ผู้บำเพ็ญเพียรภาวนา แต่ผู้มาปฏิบัติธรรมแต่พระสงฆ์ก็ต้องศึกษาโมชฌอฟังคำสอนศึกษาตามถถัมมวินัยปฏิบัติชอบตามพัทธรรมวินัยมอรูอยิ่งเห็นจริงแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ตามนีม่คือหน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ใช่อยู่เฉยๆแานที่จะสอนคน ก็ไม่ต้องไม่ใช่ว่าเป็นนั่งอยู่กลางทุ่งนานั่งอยู่ตามคันนาไม่ใช่ก็ต้องมีเสนาชนะมีที่อยู่อาศัยผลขวัญที่จะให้เปิดความสะดวกในการบําเพ็ญภาวนามีสับพยะมีเสนาชนะมีอาหารมีทำ ม, มีบุคคลให้ร็คอสะดวกพเราที่เป็นชาวบ้านก็อสร้างความสะดวกขอที่จะไปวัดไปวาได้ พอที่จะเอาหมูมิด่วนกันไป้หมัอนกับแม่โตเนี่ยชวนกันมาขับรถมาชวนเพื่อนมาสามสิบกิโลก็พอสะดวกแต่บางคนก็ไม่สะดวกเลยไม่สะดวกจริงๆบางชีวิตนะมันกระโกมัดลัดลึงเอาไว้ ก็บางครั้งก็ไม่ค่อยเหมาะสมเราจึงขวนขวายชีวิตของเรา ม, มีลูกมีหลานก็ชวนลูกชนหลานมาด้วยดึงกันมาให้เกิดความสะดวกเอากันเอากันบ้างอย่าไปคนเดียว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 ทุกสรรพสิ่งให้เย็ยนเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภยัยต่อไปโดยอายุวันนา่าสุขกัภะละต่อไปอีกคำสิทธิ์การงานหน้าที่ให้สาเร็จตามความประสงค์ต่อไปอีกในโอกาสทำบุญให้ทานรักษาสินบำาเ็นเจริญภาวนาต่อไปอีกเพื่อให้ผลลุกทำของพระสาชทาน ให้ชาติปัจจุบันแน่ต่อไปอีกก็ไปช่วยคนอื่นสอนคนให้รู้ตามต่อไปอีกให้มีความสุขทุกทุกมนมากถ้าจะหัดพูดหัดคิดให้มันคล่องอาจจะคิดเฉยๆแต่ว่าบางทีมันก็ลงมือทำมันไปทางนี้ชพวิตเราต้องหัดเดินทางนี้เห็นอะไรเห็นอะไรก็ขอใหอ้เย็นเป็นสุข แต่มาเปียนเปียนเราเราก็ไม่เปลียดเปียนเขาถ้าเขามาเปลียนเปียนเราเราก็รักษารักษาพยายามที่จะมาเบียนเปียนกันอ่าพูดบ้างคิดบ้างทำบ้างเห็นโยมมันกิดเราบอกว่าอย่ามาเปียนเปียนกันไล่มันออกอนเขามาด่าเราเอออย่ามาเปียนเปียนกันเราก็ไม่เบียนเปียนเขา เมือเาจะทำอะไรเราเราก็จะมาเบียดเบียนกันเลยให้จบเย็นเป็นจบอาคิดไปทางนี้คิดไปทางลล่งโล่งอย่าคิดไปทางหนักหนักล่งโล่งเบาเบาก็ต้องหัดคิดอย่างนี้ว่าถ้าคิดแต่เรื่องกระทบก็นกกเถอดรักคนนั่นคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ คิดไปแบบนั้นมันมันไม่มีนมินสัยนะเพรไม่มีนมินสัยก็ไม่มีปัจจัยเช่นคนคิดได้เป็ น, นโอกาสที่จะอะทำความดีก็ได้ยากแต่คิดไม่เป็นแต่คิดเป็นก็ทําความดีได้ไง่ายมันช่วยเหมือนกันต้องหัดตัวเองมองอะไรกำมองในแ น, นด่ดีๆนะนี่ก็คือการ หัดการงานของเราเมื่อได้ทําอะไรก็ทําอยู่คิดอยู่ทำไรจะอยู่ปฏิบัติตามอยู่แม้จะทํางานทําการอาจจะเป็นกิริยาไม่ใช่ทุกถ้าเรามีหลักแบวจับจอบจับเสียงอยู่กลางทุ่งไล่ทุ่งนาก็อาจจะไม่เป็นทุกเดินตามถนนห น, นทา ง, งสั่งโซฟาโซ ด, ดินก็ไม่เป็นทุก ถ้าเราเราหัด ja. ทํา ja. ดีคิดดีพุดดีเกี่ยวข้าวก็พุทโทพุทธโําำนาก็พุทโทพุทธโทนวดข้าวก็พุทโธพุทโทตั้นขนนาก็พุทโทพุทโทเอ้ามันขึ้นเมื่อไรไม่รู้แล้วบางคนก็คิดว่าเราเนี่ลําบากยาเป็นความทุกข์ยากลำบาก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 สางความโลภ ก, ก็ได้ความโลภทซื่อๆไปปฏิบัติทมเดียวก็ามาทดลองจะเอาอย่างนั้นจะให้ได้อย่างนี้ที่นนนทีที่นี่ไม่ดีอา้าวก็ไปทางอื่นแล้วเห็นไหมเฮ้ยลางเดี๋ในสำนักปฏิบัติธรรมก็ใช้ให้พาฟืนตำข้าว ไม่ค่อยมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมมาได้มีโอกาสมานั่งฟังอาจารย์พระปรีดา ย, ยกองค์ที่ห้าในเด็กคนอื่นนั่งล้อมม้ยล่างในผ้าพื้นผ้พาพื้นก็อาจจะพุทโธ ร, รู้สึกตัวอยู่กับการผ้าพื้นทำข้าวก็รู้สึกตัวอยู่กับการตําข้าว ผ่าปื้นดำข้าวโน่นอยู่โน่นริมวัดโ น, น่นเพื่อไม่ให้มายุ่งเหยิงกับคนอื่นเขาขับดามขวัญดามเมฆผ่าปื้นดำข้าวอยูโ น, น่นคนที่สุดพระปริณายกองที่ห้าจะมอบการงานให้พระปรินิยตยกองที่หกสืบโทษสืบสกุลต่อไปก็เลือก ก็เลือกผู้ที่จะมาดำรงถ้าจ้าว่าก็คือศสาสตราองค์ต่อไปก็ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายไม้เขียนโศงว่าใครจะมีหัวคิดปัญญาจงไงคนทั้งหลายก็อาจจะไม่คิดก็คิดแต่ว่าโอ้ที่อยู่ใกล้ๆ พระเล่ายกองค์ที่ห้าหรือลูกศิษย์คนโปรดของท่านมีความเหมาะสมดีกว่าท่านพูดจาฉาดสอนแทนอาจารย์ได้นะคนทุกคนก็ไม่กล้าหลีกทางไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปคิดแต่ก็มีลูกศิษย์คนใกล้ใกล้นั่นแหละเขียนโขกขึ้นมาใส่กระดาษ น่ากติอาจารย์ศาสดาเประยรยกองค์ที่ห้าว่าจิตใจเราเหมือนกระจกเงาต้องมันเช็ดถูอยู่เสมออย่าให้ทุลีมาเปื่อนได้โอ้คนม่าอ่านแล้วก็ไม่มีใครกล้าแซงขึ้นเลยไม่มีใครกล้าเขียนต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งถูกต้องที่สุดแล้ว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 ก็จะยกให้พระเลนโยกองค์ที่หกคนที่เขียนสโลกกันไปดันทีแต่ว่าวันครบรอบวันครบรอบที่เกตเนี่ยโอ้ยลางก็ได้ยินเขาเขียนสโล ก, กันไปดูว่าเขาเขียนเรื่องอะไรอ่านหนังสือก็ไม่ออกชวนเพื่อนมามาก็มาเห็นป้าเขียนอยู่ที่หน้ากติอาจารย์ทุกวันทุกเพืนก็ทาแต่ข้าวผ่าปืน ก็เลยขอโอกาสมาดูกับเขาด้วยมาก็ชวนกันมาทุลับทุเลมาจากการวางตามขวนป่าเปื่อนตามข้ามาพอมาเดงจีตติหน้าอาจารย์ก็เอาให้เพื่อนอ่านให้ฟังแต่เราอ่านมาว่าจิตใจมัดกระจกเขามันเช็ดตัวอยู่เสมอจะให้ฝนทุลรีมาเปื่อนได้เลยหลังก็บอกเพื่อเชียนให้เชียนให้เราด้วย เพื่อนก็ไม่กล้าเขียนเขบังคับเพื่นอนเขียนเขียนเขียนาาเขียนยเขียนยังไงเอ้าเราชอบอกาชอบเวลานก็บอกว่าเมื่ไม่มีกระจกฝนจะมาเกาะที่ตรงไหนก็าบังคับให้เพื่อนเขียนเพื่อนก็เลยเขียนต่อท้ายไปลงชื่อด้วยนม่ไม่มีกระจก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 มาเป็นใจลึกแต่มืดเลยทีเดียววันที่จะมอบเพราะปรียยกองค์ที่หกนะเลือกได้แล้ววันตัวเขียนเป็นตัวคนตำข้าวคนเผาพืนนะแทนที่จะเป็นลูกจิดโอองค์อาจอยู่ใกล้ๆนั่งคิดกับอาจารย์ช่วยช่วยสั่งช่วยสอนแทน ไปได้คนเผาฟืนเหลือมาหาหมอบบาดหมอบทีบอนให้บมอกให้ออกเกวัาไปแต่เช้ามืดแต่ว่าอยู่นี่พ อ, อตื่นเช้ากันมาบาดกีบอนไม่เห็นลูกศิษย์ทั้งหลายก็ใครเป็นคนได้ใครเป็นคนได้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 ปศิตายกองที่หกสืบไปเป็นคนสุดท้ายไม่มีใครไปอะไรไอ้ที้คนตําข้าวคนถ่อพืนไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเลยชีวิตของเรา ก, การรมกันยดาไปมีอะไรที่ว่ามาขวงกันเราถ่พอพืนแต่จะรู้ึกตัวรู้ึกตัวเนาะ ตำข้าวจะรู้สึกตัวกยเป็นเช่นนั้นเองอเห็นมันล่อนเห็นมันเนื่อยเห็นมันเลยดูไปจะลงไปลุกไปตำข้าวไปผ่าปืนไปรู้สึกตัวไปะนะผลที่สุดมันรู้ถมขึ้นมาได้ขณะที่ตำข้าวขณะที่ผ่าปืนไม่มีใครเหน็ดไม่มีใครเหนื่อยไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครลำบากเป็นกิริยา การผ่ า, าพื้นเป็นกิริยากันตํำข้าวเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมอ่าพอทําถูกรู้จุดตัวรู้จึกตั ว, ตวอ่าไม่ใครไหมที่ผ่าฟืนตลอดเหมือนกับเวลางที่นี่ไม่ใครไหมที่ตํำข้าวไม่มีเวลาปังเทศฟังธรรมอยู่ที่นี่ไม่ม สวรรค์เนี่ไม่มีด้วยการผ่าพื้นไม่มีกันตามข้าวว่างเงมาจากวาจาเพื่อนอาาย่างสนาพาเผยขับรถเจ๋งมาขับรถสวยหรูมาอ่ามีเงินมีทองมาทำบนระดาับนี้เราไม่บกพร่องเลยนะเพิ่มความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปกับการใช้ชีวิตทุก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 ไม่ีโอกาสรักษาศีลบงเพนเพียรภาวนามีโอกาสบรรลุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เราช่วยคนอื่นให้รู้ตามมีความสุขทุกข์ทุหน้าให้มันคล่องทางนี้อย่าให้มันคล่องทั้ ง, งเขาดีกว่าเราเราเร็วกว่าเข า, เ, าเขาชสมอวเขาเราส้อกเขาเราเร็วกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราหมาต้องบบคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นมันเป็นดีๆของขวาง ม, มันเป็นทางขวาง ทางขวางแบบนี้เขาเรียกว่าเดระฉานอยาให้มันขวางทางไปง่ายๆเรให้เ ย, ย็นเป็นสุกโอ้ยโล่งปาที่จากทุกโศกลูกไปเอา้าว้่างไปแล้วอายุวันน้าจุขค่ะว่าอ้าบริสุทธ์ปลอดภยัยสัมิตสการงานอันชอบได้สินแล้วทำให้สำเร็จเอาไปส่งนิ้วไปเลยโอกาสให้ทันแล้วสาสินบำเพ็ญเชนญภาวนา ไปแล้วในโอกาสบรรลุธรรมของพระสมาสเมื่อข้าในชาติปัจจุบันนี้ไปแล้วสอนคนหนึให้รอดตามเกิดความสุขทุกข์ทนหน้าถึงจุดหมายปลายทางชีวิตเราทำข้าวอยู่ก็คิดอย่างนี้ผ่าปืนอยู่ก็คิดอย่างนี้ทำแดดกังฝนถาง้าไล่ถากหญ้าสวนรับจ้างทํางานทําการ อ่าไม่เป็นไรคิดแบบนี้ไม่ไ ม, ไม่มีอะไรขวงกันได้การงานก็เป็นการงานอันชอบเอไม่ได้ไปลักไปขโมยไปเราปอาวป้นเราําข้าวอย่างที่เราทำก็เป็นประโยชน์อยู่เราทำไรก็เป็นประโยชน์ใี้ผลกระทบในทางดีให้โอกาสมาวัดมาวาได้ไม่หาไม่ใช่ว่า อหาวันนี้หาหาเช้าวจิ้เย็นไม่ได้เป็นอย่างนะั้นหาเช้าวจินมเย็นย่างดีหาวันนี้ใช่นี่เมื่อวานนี้อันนี้ก็ลําบากหน่อยหาวันนี้ใช่นี่เมื่อวานหาเช้า ว, วันนี้กินหาเช้า ว, วันนี้จิ้เย็นวันนี้ก็ยังบ่พอไหว ก็วิปลาบุญหาภ า, าคเพียนขยันหมั่นเพียรล่างการธรรมาหายินอยาไปนั่งงอเท่างอืโอโบราณท่านว่าตื่นเช้าไม่เก้าหลังยามตื่นตอนเช้าไม่เก่าหลังยามตีหัวเมียเนี่ยห้แตกแขกใม่บ้านแขกมาบ้านไ้ไลนนี้ นี่คีขาคิคนใชัยจนมือตายค้าสอนบวล้านเราเคยได้ยินบ่แมตุแ ม, ม่เพี้ยนแม่เพี้ยนมากัลยนะเฮ้แมตุแม่ข่าแม่ดวงแม่อ้ว น, นมากเลยนะคฮ้ยนะมาเฮ้ยอ่าเตรนมาเก่าไม้เก่าหลังยามมาจากปอ ยามอะไรแนะ่ฮ ะ, ะอโอ้ยบรูรเลยู้่าผ้เฒ่า น, น, นสอนนะผเฒ่าคนสอนนะเต็นมือเช่าไม่เก่าหลังยามยามศินยามถํำยามพระพุทธประธรรมประจงยามศิลทานภาวนายามสติปัญญายามเมตตาคแล้วคิดเป็จเสร็จแล้วอันเป็นขอ้อดีเป็นคนอละธรรม มีน่ยยามกยามพ่นบกพิษยามพ่นผักนี่ยามต้นบล็องงแค่บงงอ่ะแค่ไปเลืยกนะแต่อีตรงเต็มหลายอีตรงเต็มมากก็ไ้กินเราก็ไหวได้ยามนี่ต้นบลกพิกนี่วะเออีห้เขาลังยามทก็ยามเพ่อน่ะยามเฮ็ดละงกให้วัดปลาเ่ะ ไม่ออกม minutes, เกิดเหตเพ่เดินหาตาหลวงพอ่งพอหลางอเอ้ยหลวงพ่อเอ้ยแสงเพ่อนาติผู้หลงอ่างไงอยู่ขนาดทำเพื่อนหาหลวงพ่อยานพ่อผู้หลงอ่างทำเพื่อนหาหลวงพ่ อ, พ อ, พอยาดพอ่อผู้หลงอ่างแสงเพื่อนที่าเด็กหลวงพ่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เขารัางยำตึงเลยเข่าไม่เขารังยำอ่า ตีน๋วหนม้อแมเนี่ยให้แตก่ไหมพ่อทยก พ, อพ่อผู้ใหญ่ตีนวนม้อแมเนี่ยให้แตกอ้าวย่าไรสอนชนาาะวะนะพายัง ไ, ไดขอนะเตี๋ตีนนม้วแม่เนี่ยให้แตกสาวบ้านไลยพ่อทายกนะคนเรื่องกระบอกกระนัไไ่นคนโบาณท้องนะพ่อผู้ใหญ่ เอออันไหที่นี่มรดกมูนาามั่งคัท่าควมจนนี่จะเอาให้แตกคนมจนให้มันแตกออาไปความยากให้มันแตกออาไปแต่ว่านเีนี่ยคืออละแล้วเป็นผู้ให้จะต้องเลี้ยงดูแลว้วอ่าที่นี่มุ่ น, นราามรดกมุ่นรดกของเมียเนี่ยสลูกสาวคนนนละเลี้ยงให้มันดี เขาไม่ค่อมซกจะทะเลาะพีวัดจะโกรธจะเครื่องกันแต่มี่น่ามีการกับว่ให้ไปหน้าเนาะหเพี้ยนเขาให้ง้ตัวนึงมากแต่เลี่ยงไมนได้โลกได้เต่าปนง้อปนค่วยมากเอามันขยายไปอีกเพราะเป็นได้มาตัวนึงก็ขายเรียนโลกเรียนไทยมันกระวายตีหัวเม้มให้แตะเข่งง้บบานให้ไรนี้ตายชื่อบะไร เ, เห็นไรเห็นแกบ้านบ้านไรไรนี้นะไอเพื่อนะม่วงม่อวนแม่ิแม่แขกาบาบ้านไหไรนี้ไรนได้ละ่ะเอาลพอไปเมืองไีนไรลวงพอนี้หือะก็นี่ไรนี้เแกาบ้านไห้ไหรนี้ฮะไปจได้านนะ แขกมาบ้านอะไนี้แขกก็เือขั้นตุกะอ่าเป็นนั่ว่าปฏสะเมตังภิกะเวกิตังตัณแกว่าอาขันตุเกหิอุปภิเกใสหิตอุปภิจิตถังถ้าเป็นพระสาวาลีแขกมาบ้านอาคันตุเกหิ ว่าจิตนี้ประพัดสนของใสมาแต่เดิมอุปาจิเลตตัต้งจรมาทาให้จิตเข้ามองต้องไล่มันนี้อ่าไม่หรอกเคยไล่แขกกนนีนี้บ่เคยเหนมันน่อมยื้อขาเมื่อยขำขึ้นบ่อะไรยังไงสองเมื่อแล้วยังเห็นมันน่อมอยู่นั่งโกดจู้โกดทอนยิบบ่มาไอตัวเกิดสามีเกิดเพื่อนบ้านเกิดพี่น้องเกิดโกดผู้นั้นผู้นี้อย่าง แขกเมื่อบ้านไรนี้เรียกว่าอาคันโตกะแต่สอนใี้จิตประพัดสอนสองสายเสมอแต่อาคันโตกะเคยกิเลสมันจรมาพักที่บ้านเราเคยจิตเราทำให้จิตเราเศร้าหมองต้องไล่ออกให้สินให้ทําอยู่แขกเมื่บ้านไรนี้นี่คือขาซิบค้นชัยจนวันตายนรียกว่าไม่ขีขาวะ ฮะพระอ้วนไม่ว่าสี่ขาฮะสี่ขาสิบคนใช่จนวันตายเมื่อสิบหนี่ยวใส่ทางความดีใส่โนบใส่ไหวใส่ทําบุญให้ท่านใส่รักษาศีลใส่คอยเรือใส่ทํามหาจีวิใส่ทําคนดีโดยมือโด ย, โดยใจของเขา คราสอนโบราณพันว <c oughs> ่าการปฏิบัติธรรมนี่ยมันพร้อมแล้วในชีวิตเราความที่ทําความดีพร้อมที่จะละความชั่วไม่มีอะไรที่จะพร้อมเท่ากับกายกับใจเราพร้อมที่จะทําความดีทําข้าวอยู่ก็ได้บรรลุธรรมผ่าฟืนอยู่ก็ได้บรรลุธรรมหยาบดามจอบดามเสียมทํามาค้าขายเลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานแล้วพวกเราก็มีโอกาสมาอยู่ วว่าอาลามมาได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรความรูส้สตัวเป็นอย่างไรสัมผัสดูมันเป็นอย่างไรมันต่างกันกันกบความหลงอย่างไรหลวงพ่อหลอกพระพุทธเจ้าหลอกเราครูาอาจารย์หลอกเราหรือว่าเป็นเท็จเป็นจริงอ่า ทนก็บ่าวว่ า, วาบุญคือใจดีบาปคือใจร้ายนึกท่านคือใจเย็นมันก็ไม่เหลือความสามารถของพวกเราเราก็สามารถที่จะทำได้ <c oughs> ใจมันก็อยู่กับเรา <c oughs> เราจะทำให้ใจเรามันดีก็ไม่ต้องไปเกิืนใคร <c oughs> ตั้งต้นได้ทันทีํทำใจได้ทันที เราความชั่วก็วได้ทันทีเอาให้มันเย็นยเย็นทันทีหายใจสักสิบลูหายใจขั้งถึงอาจจะสะอื้นแน่นว่าจังเล็กหน่อยช่อหาแม่น่าหายใจขั้ที่หงสะอื้นตึตตตต๊หายใจรั้ที่สองก็สะอื้นหายใจขั้งที่สามที่ทีที่ 4, ทิปกติเลยความโกรธความทุกข์ควมวนกัน ทุกหมดเยหายใจเข้าใหม่เป็นเลยช่างหัวมันเอาว่าหายใจสิบครั้งด่ากันไปได้ถ้าใจโกรธก็ลองหายใจเข้าสิบครั้งจะด่ากันไปได้ <c oughs> แต่ว่าจะต้องรับใช้ความโกรธนี่เดียวว่าทำให้มันเย็นมันเราจบ มีเขามีเขาให้ลูกค่อยกีเขาให้ลกพอแเพียนหรือแต่ก่อนะแต่แลราเมียทายเข่าเนี่ ย, นะยเปนั่งหุม่มเบิ่มทายเขานั่นปะ่ขึข้นหัวึ้น ข, นขึ้นว่ามีเนาะอ่าแ้วเขาทายเขาไปนนางขอปันป่นเขาแม่แม่ก็ายเขาปั่นให้ปั่นให้เราแม่ก็เอาโดโดโคด มันเย็นเขาอ่อนจนเป็นเขาเย็นกินได้เนี่เรพอทยงมันเป็ขั้นก็ไปขอขิดเขาวนเมียชายเขาเขาหวนแสบมันมีปุ๋ยมันนี้มันไปหนีกินหอมมันสีกันเกลี่ยงจนเหลี่ยมมองมองกินกับประวานเรชวนให้กินแต่ตอนนั้น ใจเขาไปไหนไปขอจิบนเขาแม่ตั้งเขาจะเหนืยเจ้าคนเจ้คนทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันแทบกระปัดนกระปั่นเตาโธ่โธ่โธ่โธ่เขาเย็นน่งกินเลยของที่มันห่อนให้มันเย็นเลยใจเฮ้ยกันล่ะเอาให้มันตันละเอาให้มันเย็นมันห่อนนําไเลยเอาให้มันเย็นดูด้งสี่ได้สวรรในผ้าน มวยยกอธิษฐานปารธนาต้องกระทําลงไปเห็นธรรมวัตรต้องมารับเอาลงไปรับสิ็นปกติลงไปปกติลงไปเคยมุกมุมคุณคิดโมเนย์ยุดไว้ยุดไว้ยุดไว้อ่เคยให้เนตใจ้ยังได้ยุดไว้ยุดไว้มีกีอิยาที่ทําให้ได้ยุดสร้างสติยุดไว้ยุดไว้รู้จุดตัวรู้จุดตัวเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนที่คนอื่นทําได้เราก็ทําได้ยั่นคือได้ทาได้ทุกชีวิตมีมือเราสองข้างรูปภาษาสมมติสมมติรูปจิตตัวเป็นคโพูดสมมตุติสติสติเป็นภาษาอินเดียรูปจิตตัวเป็นภาษากลางๆ ภาษาภาษาบ้านเท่ากับของนื้นอภาษาบ้านเท่ า, บบ า, ากับต้นภาษากลางๆแค่น้อยกับเลื่อนไว้อ่าทันเดียวกันรู้จักตัวโล้จักตัวเป็นสมมตุติเป็นคำพูดของรู้จักตัวจริ ง, รงเป็นปรัชม์เอาสมมุติมาเป็นปรัชม์รู้จักตัวบอกไปได้ ไม่แต่สัมผัสเราเองอ่าเป็นปรมาทัยแล้วถ้าเป็นคำพูดหลวงพ่อพูดหน่อยกี่เดือนกี่ปีก็ยังเป็นสมมุติอยู่เราจะให้เป็นปรมัตัยต้องเป็นของเราเองรู้สึกตัวรู้จึกตัวเองสัมผัส ด, ดูอ่าเป็นปรมัตัยเป็นศีลก็เป็นปรมัทัยศีลปรมาท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 โลเวลาใดมันโกรธรู้เรียนของโกรธเอาสีเอ่อรู้มีสีแล้วอุป ป, ปาละไหนเข้าไปใกล้อย่าปล่อยให้ความหลงอย่าปล่อยให้ความโกรธอย่าปล่อยให้ความรักความชังมันมันมาเป็นใหญ่รู้รู้เราก็รับบรับรับมืออุปปาจะห้ามไม่ หยุดไว้มือนกัเราห้ามลกูกไม่ให้เขาตีกันหยุดห้ามไว้อุปบ๊ะเข้าไปใกล้ขิดไม่ให้ทําำลายความโกรธจะมาทำํำลายความทุกข์จะมาทําร้ายสี่หล้วปรมมัทธ์ป ร, ปรัมณีละได้แล้วปรัมมัทธ์แล้วเป็นปรมมัทธแล้วหายโกรธแล้วหายทุกข์แล้วหายเครียดแค้นแล้วปรมมัทธ์ให้ถึงโน่นนะ มันมีสามสามปัจจจยการตัวปฏิบัติจริงๆมันมีปัจจจยการสามอย่างเหมือ น, นเราเห็นงูเห็นแล้วงูเห็นแล้วทำยังไงอ่ะมาเพื่อนอ่ะงูจงอางงูโคผู้ยหังเขาไหนว่าเดียวที่ต้งได้ันฮอ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 เห็นอะไรสัสี่คือเห็นแบบนี้เราได้รูกคำอะไรสยตสัส่โยเป็นหงลงได้ทำกลมหลงให้เป็นกลมรูปกมหลงหมดไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าปยาการมีอยู่สามอย่างอย่างนี้ตลอดไปมันโกรธละวคมโกรธ ความโกรธหมดไปแล้วมันทุกข์ละความทุกข์ความทุกข์หมดไปแล้วมันหลงและความหลงความหลงหมดไปแล้วลอะไรนะมันสามปฏิการจึงทำเป็นตาทำมาจักเป็นสิบสองขี่เป็นวงกลมสิบสองขี่แต่ละขี้คืออย่างเป็นทุกข์มุธัยนิโรธมันมีสามปฏิยการ ไรสี่สามเป็นสิบสองเป็นสิบสองที่นี่บาลามีหมือนกันอย่างที่เราสวดบาลามีของพระเจ้าพระองสหัตสมาพิณิมิตัสสาวะอดัลถังบาลามีของพระเจ้าแค่ น, นะแค่น้มาอ่าแะน้ำไปได้เห็นมานนาลายคิลิงเขาปล่อยช่างนาลาคิลินเข้าวิ่งชนพระเจ้า นางกินจะไม่ได้กาเอาเอ า, เอาบกงหนามมัดใส่ ท, ทองหน่อยมีสิ่งแสดงว่าเจ้าของมีทองอประกาศในมูชนทั้งหลายทราบ พ, พระพุทธเจา้าก็ช่องทองค่มสงบพูดออกมาคำเดียวทะลวงนี่ลูลู่เราสองคน มีคนอื่นรู้กับพวกเราสองคนมีเราสองคนเท่า น, นั้นที่รู้เรื่องนี้พอพระพรุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ปรากฏ ว, ว่านางจิณจะมานิกาอยากอ้ายพระพรุทธเจ้าก็เขินล่นเสื้อสินมุงไห ม, บ ก, มบกงามล่นซุกเกาะคนคนที่เพื่ประชาชนทั้งหลายจะใช้โย่อ่า พวเลื่อนค่าถาเล่ยเกกิ่นบักงามหลวงพ่อก็เพากินบักนามด้วยฆาถาพระบริจาคจะยู่กันน้อยท่านนะไม่กิ่นบักนามเจ้าเสียญาติฆ่าถาเพราะขันเพราะบักนามเนี่มันทำให้พระบริจากระทบกระทื่นที่จริงพนกกระทบกระทื่นมันเราปฏิบ ök, ja ัติทำอยู่เนี่ยมันลูกคำเข้าถือตัวอริยสั์ not, <c oughs> ตัวเรือสัตติเราได้ทำอะไรเหมือนอเรือสัตติเห็นมันลงสร้างความรู้ความรู้มีแล้วความหลงหมดไปเป็นสามระดับสีละปรลมีสีละอุปรลมีสีละปรมัาถะปรมีให้มุนถึงปรมาถฐานะปรลมีฐานะอุปาลมีฐานะปรมัาถะปรมีจาฆ่าจะละอารมณ์ อันเป็นข้าวเชื่อต่อจิตใจออกไปเรียกว่าทานนอกจากก็เป็นวัตถุทานข้าน้าโภชนอาหารทีู่่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารละสาโลกทานะอุปปะฏฐเมฐานะปรมาถะปรมาให้มันถึงจิตถึงใจให้อะไรเ้าให้ถึงจิตถึงใจให้มันถึงจิตถึงใจ อยากให้เฉยเฉยถึงใจได้ฉละได้ฉละได้ฉละขพอใจบริสุทธิ์ใจจะยกให้เหมือนันวันนั้นวันที่ชาวหมอเลสิงคโปร์มาเขาทำให้ให้ถึงที่สุดเขาก็เอาปัจจัยมาเอาข้าวสารมา เขาจะให้มันถึงใจแล้วจะเป็นหลักฐานเราก็ยืน่นอนโน้นให้หลวงพ่อยื่นปัใจจัยให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เซ็นรับเขาจะได้สบายใจหายใจโล่งเพื่อนที่บริจาคมาแล้วก็เห็นเนี่ยตอนนั่งอยู่เขาเอาปัจจัยถวายหลวงพ่อเข า, เอาสิ่งของถวายหลวงพ่อเขาก็ถ่ายรูปเราก็หลวงพ่อก็เซ็น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 ก็ก็ได้ชงให้มันถูกมันต้องทำให้มันพระพระพระสะอาดตร่งใสทั้งสองฝ่ายปฏิคาหกต้นลับทายกผู้ให้ให้มันถูกมันต้องอันนี้อะไรก็ตามต้องมีสามปฏิยการไม่ใช่มีปัฏิยาการเดียวสามระดับฮะ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 เอาลงไวๆปล่อย ไ, ไปไ ว, ไว้ๆแต่นี้เรียกว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติเขาทํากันอย่างนี้ให้มันทําอยู่ทันทนให้มันได้อยู่ได้กินทันทีะถ้าเป็นบุญก็ให้เป็นบุญถ้าเป็นบาปก็รับบาปถ้าเป็นสวรรค์ก็มีสวรรค์ทันทีใจดีทันทีอารมณ์ดีอ่าถ้าจะเป็นนิตราพก็ให้เย็นได้ทันทีอันนี้ เป็นของที่เราทำได้เรือมถึงอยู่ทำได้เอาใจเข้าเราสัมผัสเอากายเข้าสัมผัสเอาความรู้สึกตัวเข้าสัมผัสเนี่ยที่เราเรียกว่าจะเป็นอะไรก็ได้ปัจจปรามีอธิษฐานปรมีเมตตาปรามีขันติปรามีเหมือนกันหมดสามสิบทัพปรามีสามสิบทัพพระพุทธองค์เอาชนะหลังที่เราสวดพระองค์สหัสมาน ไผ่แค่ยักก็่ายแค่อะไรก็่ายแค่ไปเลยชนะไปเลยเรียกว่าปาลมีปลาลมีสิทัศแต่ละทัศมีอยู่สามบวกเข้าไปเป็นสามสิมทัพเส่งสีละปรัมมีแต่ว่าทัศที่หนึ่งสีละปรัมมีทัพที่สองสีละปรัตมิตปรมีทัพที่สามแต่ปรมีมันมีสิท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 มันหลงเขียนความหลงเป็นความรู้ความหลงหมดไปแล้วในแต่ความรู้ถึงแล้วเรียกว่าเข้าถึงแล้วข้าพระเจ้าถึงแล้วซึ่งพระบริเจ้าข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์มันถึงมันไม่ใช่ถือไว้มันถึงแล้วถึงชีวิตจิตใจของเรากลายเป็นรูปเป็นตื่นเป็นเบิกบานได้อมันเศ้ามองกายเป็นความเบิกบานอ่า มันม ก, กลายเป็นความเบามันทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์มันหลงกลายเป็นความไม่หลงนี่เข้าถึงเราทําได้เราทําทอย่างนี้รีก ว, ว่านักปฏิบัติอเราสร้างแท้ๆเราทําแท้ๆเราลู่สึกตัวอยู่เราลู่สึกตัวอยู่ไปยินบรอพื่อนแม่แล้วสามประเด็นอะไรบ้างอ๋ อ, น, อนี่ก็ได้เวลาแล้วแสงเงินแสงทองสิน้น พอศินไม่ศินจะได้สมาทานศิลให้ครบวันหนึ่งคืนหนึ่ง